สติเป็นเรื่องสําคัญราะฉะนั้นการที่เราดึงใจกลับไปไว้ที่ตัวเองกลับไปไว้ที่กายที่ใจก็เป็นเรื่องสําคัญทําให้เป็นนิสัยเราไม่พยายามที่จะส่งใจออกมาข้างนอกเราไม่พยายามส่งไปตาความเคยชิน ความคุ้นชินเก่าๆตอนนี้เราพยายามที่จะสร้างความเคยชินสร้างความคุ้นชินให้กับตัวเองให้กับจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะมีศักยภาพของใจที่จะทําให้ใจเนี่ยรู้เท่าทันได้มาศึกษาเกี่ยวกับทุก เหตุกิดทุกความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็เครื่องดําเนินนี่ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะมีแต่ความสุขไม่ใช่แต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะเข้าใจทุกข์ว่าอะไรเป็นทุกข์ แล้วเราจะมีวิธีบริหารจัดการความทุกยังไงเราจะอยู่ร่วม <c oughs> อยู่ร่วมกับความทุกที่ไม่ให้มันทุกมากเกินความจำเป็นเป็นยังไงเหมือนเราอยู่เรามีร่างกายอยู่มันก็ต้องเป็นเรื่องปกติที่จะต้องป่วยไขย้ต้องเจ็บป่วย หรือเรามานั่งตลอดวันแบบนี้ปวดเอวปวดขาปวดเขา่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีขาก็ไม่ปวดขามีขามันจึงปวดขามเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้ปฏิบัติทำไปเพื่อที่จะทําไปแล้วปวดมันจะหายไป หรือเราควบคุมความปวดได้ไม่ใช่เรามาศึกษาเพื่อที่เราจะเข้าใจว่านีเ่เราก็เฝ้าดูมันนะมันมานะแล้วมันก็ไปนะแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใจได้เรามาศึกษาให้มันรู้แต่ไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะควบคุมมันควบคุมว่ามันเกิดขึ้น เวลามีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราทนไม่ได้ทนไม่ไหวเราก็พยายามที่จะให้ทุกข์นั้นมันดับไปเราไม่ได้ทำอย่างนั้นและสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้หน้าที่กับผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์เกี่ยวกับความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าให้หน้าที่ไว้เพียงแค่ให้เราดูมันเฉยๆกำหนดรู้ ดูไม่เฉยๆเราไม่ได้มีหน้าที่ว่ามันจะต้องดับไปเร็วดับไปสักทีหนึ่งไม่ใช่เรา ม, มีหน้าที่รู้ว่ามันมีอยู่มันเป็นของมีอยู่รู้เท่านี้หน้าที่เราถ้าเราทำหน้าที่เกินนี้ความทุกข์มันก็จะเป็นส่วนส่วนเพิ่มเติม มันจะมาทับถมใจเราเองเหมันอย่างปวดนั่งแล้วปวดปวดทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวสิ่งหนึ่งที่มันลึกๆอยู่ในใจเป็นความรู้สึกลึกๆในใจเราเราก็ไม่อยากปวดไงเราอยากให้ปวดมันหายไปเพราะเรามีความเห็นว่าถ้าปวดหายไปเราก็จะมีความสุขขึ้นอันนี้เราทําเกินหน้าที่ หน้าที่ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้สําหรับทุกก็คือว่ารู้มันเฉยๆอ่ะมันปวดก็รู้ว่าปวดมันปวดมากก็รู้ว่าปวดมากมันปวดน้อยก็รู้ว่าปวดน้อยเรามีหน้าที่รู้เฉยๆแต่สิ่งที่มันทําให้เรารู้เฉยๆไม่ได้ก็คือความอยากอยากที่จะให้ความปวดมันหมดไปสักทีหนึ่ง ไอ้ความอยากนี่แหละที่มันคอยสร้างความรำคาญให้กับจิตใจของเราไอ้ความอยากที่จะให้ปวดมันหายไปนี่แหละมันเป็นตัวที่มันเหมือนเป็นดาบที่คอยทิ่มแทงให้ใจเราทนปวดไม่ได้ปวดมันไม่ได้หายไปด้วยความอยากในใจแต่ปวดที่เขา่าปวดที่หลังปวดที่ต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้หายไปตามใจอยาก แต่มันหายไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่พอมีความอยากที่จะให้มันหมดไปดับไปเกิดขึ้นปวดที่ร่างกายนะทุกข์ที่กายมันก็เคลื่อนมาทับที่ใจเราด้วยก็อยากจะให้มันเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้เราจะได้เข้าใจสตีว่าสิ่งที่มันทําร้ายใจเราเนี่ยมันไม่ใช่ปวด ปวดทางร่างกายแต่มันเป็นความอยากกันงหะความอยากที่ให้ปวดมันหายไปมันเป็นดาบที่มันคอยทิมทิมใจเราอยู่เวลาที่ใจเราเฉยๆกับความปวดได้หมายความว่าอยากมันโดนเปียดออกไปจากใจโดนกําจัดออกไปจากใจโดยการที่เราชั่งมันก็ดีหรือไม่ใส่ใจก็ดีตอนที่เราชั่งมัน ปวดแข้งปวดขาก็ช่างมันมันก็คือการที่เราลดทอนความอยากในใจเราลงนั่นเองขีด ก, กันความอยากออกไปจากใจของเราแลเราก็จะเห็นถึงจังหวะที่เวลาที่เราช่างมันหรือเราไม่ใส่ใจมันได้ปวดมันไม่ได้ลดลงปวดมันไม่ได้หายไปแต่ใจเราสบายขึ้นใจเราไม่ทุกเท่าเก่า อันนี้ต่างหากที่ที่เป็นหน้าที่ที่เราควรจะต้องทาหน้าที่เราไม่ได้อยากให้มันดีไม่ได้อยากให้ความไม่ดีหายไปแต่หน้าที่ของเราคือกำหนดรู้ว่ามันมีทุกเกิดขึ้นแล้วคอยระมัดระวังต้นตอต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากในใจของเรานี่แหละพยายามไม่ให้มัน คอยควบคุมคอยเสี่ยมคอยเสียดแทงจิตใจเราแต่การที่เราจะทำอย่างนั้นได้ดีและมีประสิทธิผลประสิทธิภาพที่มันดีสติเราก็ต้องเท่าทันเหมือนกันแล้วการที่เรามีสติที่ไม่เท่าทันช้ากว่ามันมันก็สอยใจเราไปกินละสติเรานั้นๆเกิดทีหนึ่งในช่วงที่มันเอาความอยากมันสอยใจเราไปไว้ใต้อนานาจมัน มันก็สร้างความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นในจิตใจแต่ถ้าเรามีสติที่เกิดดีมีกำลังเกิดได้บ่อยๆเกิดได้รวดเร็วเราก็จะปลดเปลื้องพัฒ น, นาการจากความอยากออกไปใจเราก็จะทุกน้อยลงทุกกายไม่ได้น้อยลงแต่ทุกใจน้อยลง ทีนี่ไม่ว่าความอยากก็ดีความปวดด้วยมันก็เป็นหลายๆอุปสรรคที่มันจะคอยขัดขวางการปฏิบัติของเราสิ่งหนึ่งก็คือความคิดอีกอย่างหนึ่งความคิดคนเราถ้ามันมันหยุดคิดได้มันก็จะดีแต่โดยมากนะมันก็มันมีหน้าที่คิดมคิดไปนะจิตตะ ถ้าว่าสั่งสมสั่งสมอารมณ์สั่งสมมันก็มีวัตถุดิบใช่ไหมมีวัตถุดิบมันก็คิดไปเรื่อยสังขารละขันมันก็ทํางานนก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยแต่การที่เราคิดแล้วเรามีความเห็นเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่คิดใจเราจรึงสงบใจเราจรึงสบาย ถ้าเรามีความเห็นแบบนี้มันก็จะยังไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็ต้องคิดใช่ั้ยเราต้องคิดเราต้องทำงานเราต้องคิดเราต้องนู่นนี่นั่นไปแต่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงต่างหากที่จะอยู่กับความคิดแล้วไม่ให้ความคิดอันนั้นเนี่ยมันมาเสียดแทงจิตใจเรา หรือมาบัณฑรศักยภาพใจของเรามันก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการที่เราพยายามฝึกแบบนี้แหละเวลาที่เราฝึกเข้าสมาธิเราฝึกสติแบบนี้เนี่ยความคิดมันก็มีเป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ได้บอกว่าห้ามคิดนะให้หยุดคิดนะไม่ใช่แต่สิ่งที่ เราจะต้องทำก็คือว่าอยากคิดก็คิดไปอยากคิดก็คิดไปสิถ้าเรามีสติเกิดขึ้นพันใจเราก็หลุดออกจากความคิดได้ทั้งทังที่มันยังคิดอยู่นั่นแหละเราก็หลุดออกมาไว้ที่ลมหายใจความใส่ใจของเรามันจะอยู่ที่ความคิดหรือไปอยู่กับลมหายใจอันนี้เรากำหนดได้เราเลือกได้ถ้าเราส่งใจไปอยู่กับความคิด มันก็ฟุ้งซ่านไปแต่ถ้าใจเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่ความคิดมันก็มีของมันไปมันไม่ได้ทำร้ายทำลายอะไรกับเราอยากคิดก็คิดไปมีแรงคิดก็คิดไปเราก็ตั้งหน้าตั้งตาสนใจใส่ใจกับลมหายใจกับคาบริกรรมพุทโธไปก็แข่งกันอย่างนี้แต่มันจะมีอีกตัวหนึ่ง ไอตัวตัวแสบที่มันจะทำให้เป็นตัวเสียมเสียมให้เราทำงานได้ไม่ดีซึ่งมันก็คือความอยากอีกเหมือนกันมันตอนปวดเราอยากให้หายปวดใช่หมไอความอยากนี่แหละที่มันคอยทิ่มแทงจิตใจเราเวลาเราคิดมันก็มาเสียมนะความอยากก็ ม, มาเสียม บอกว่าเฮ้ยหยุดคิดเธอถ้าหยุดคิดแล้วใจมันจะสบายนะใจมันจะเป็นสมาธิเรามาฝึกสมาธิเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องไม่คิดอะไรสิมันจะเสียมเราอย่างนี้พอเรายังคิดอยู่ก็เป็นไงอยากได้แล้วมันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะฉนั้นสิ่งที่ เรามีหน้าที่กับความคิดอยากคิดคิดไปเรามีหน้าที่ ร, รู้ให้มันทันใช่ไหมแต่สิ่งที่เราคอยป้องกันจิตใจเราต้องป้องกันจิตใจจากความอยากที่มันจะคอยเสี่ยมใจเรานี่แหละอยากให้ไม่คิดเป็นตน้นถ้าไม่คิดใจเราจะสบายนาอะอย่างี้คิดอยู่ใจสบายก็ได้ มันเราอยู่ในชีวิตประจาวันอะใจเราก็สบายอยู่ได้นี่ทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็ยังมีการงานก็ดีหรือมีเรื่องที่ให้ต้องคิดต้องทำจะเรื่องของคนอื่นก็ตามเรื่องของเราก็ตามแต่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าใจของเราต่างหากอารมณ์ใจของเรามันมันมันเป็นยังไงมันอยู่ถูกที่ถูกทางไหม มันงนหงดหงิดฟุ้งซ่านไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับลมหายใจอย่างดีไม่ได้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธอย่างดีทั้งๆที่เราก็พยายามพุทโธอยู่พยายามดูลมหายใจอยู่เพราะนั้นก็ให้คอยสังเกตไอตัวความอยากนี่แหละมันจะคอยเสียมเรา ใ, ใจของเรามันไม่ได้อยู่กับการ ง, งานที่ควรจะเป็นควรจะต้องทำพอรู้เท่าทันความอยากได้ใจเรามันก็ไม่ดิ้นรนไม่กระสับกระส่ายอยู่กับปวดก็อยู่ได้เป็นเพื่อนกันได้อยู่กับความคิดสราระตาก็อยู่ได้อยู่กับมันได้ ขอแค่ว่าจับใจให้มันได้จับใจให้มันได้เท่าทันใจให้มันดีให้ใจเราย้อนกลับมาที่ลมหายใจก็ดีพุทโธก็ดีให้มันได้อย่างมีคุณภาพอ่ะซึ่งการที่เราทําแล้วความอยากมันขโมยใจเราไปแบบไม่รู้ตัวอันนี้มันเขาเรียกว่าทํางานอย่ากไม่มีคุณภาพมันก็จะสงบยากใจก็จะสบายยาก ซึ่งความสงบสบายเนี่ยที่มันเกิดได้ยากโดยมากแล้วก็มาจากความอยากของใจเราเท่านั้นแหละอยากจะให้มันได้ผลดีๆอะไรที่มันไม่ดีเราก็อยากให้มันไปเร็วๆอย่างนี้เหล่านี้ทั้งนั้นนะมันก็เป็นตัวที่จะมาคอยเสียดแทงจิ้มแทงใจเราให้ใจเราเป็นผู้หรือแม้แต่กระทั่งบางทีเราก็เอ้ เรามันเป็นคนคิดบ่อยคิดเยอะหรือไม่ก็ไอเราเป็นคนที่ฟังอะไรนิดๆหน่อยๆมันขัดเคืองใจง่ายเหลือเกินปัญหามันก็ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าฟังแล้วมันขัดใจแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอความขัดใจมันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เท่าทันไม่เท่าทันอย่างแรกก็คือไม่เท่าทันแล้วเราก็ไปต่อกับความไม่พอใจขัดเคืองใจไปหรือ ไม่เท่าทันอีกอย่างก็คือไม่เท่าทันความอยากในใจของเราเองอันนี้อยากฝ่ายดีอยากที่จะมีใจคุณภาพที่มันดีขึ้นอยากที่จะให้ใจเรามันไม่ขัดเครืองไม่ขุนเครื่องไม่ขัดข้องไม่มีความโกรธเพราะว่าการที่มันไม่ขัดเครื่องไม่ขัดข้องไม่มีความโกรธแบบ น, นี้มันดีไงมันก็เอาความดีมาล่อลอก มาคอยทิมแทงเราเนี่ยเลยความอยากมันก็ฉลาดแบบนี้ตัญหาคือความทยานอยากมันก็ฉลาดแบบนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรซับซ้อนทําแบบนี้แหละรู้เท่าทันอ่ะมันอยากใช่ไหมอ่ะตอนนี้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอยากดีนี่อยากดีแล้วมันดีไม่ได้อย่างใจอ๋อมันทุกข์นี่อ่ะงั้นก็ช่างมันรู้ทันแล้วเราก็ย้อนใจกลับมาไว้ที่ ลมหายใจที่พุโทโธรเราก็จะอยู่ร่วมกับมันได้อยู่กับปวดก็อยู่ได้อยู่กับความคิดที่มันยังไม่สงบระนับเราก็อยู่ได้อยู่แบบที่ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิดไม่ขัดเคืองไม่ขัดข้องและเวลาที่เราปฏิบัติทาไปเนี่ยบางทีเราก็ชอบมีความคาดหวัง เราอยากจะให้ตัวเราเองดีขึ้นมันเป็นเรื่องดีเพราะนั้นอยากจะให้แยกแยะสักนิดหนึ่งระหว่างเป้าหมายกับความคาดหวังเวลาเราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีเป้าหมายแต่สิ่งที่เราไม่ควรมีเลย<ม>ก็คือความคาดหวังเป้าหมายมีเพื่ออะไรเพื่อที่จะกำหนดเส้นทางกาหนด แนวทางการปฏิบัติเพื่อที่จะไปให้มันถึงแต่ถ้าเรามีความคาดหวังพระพุธเจาก็ตรัสเอาไว้อยู่แล้วว่าหวังสิ่งได้และไม่ได้ดั่งหวังอันนี้ก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งเพราะนั้นเรามีความคาดหวังเนี่ยมันแบกระเบิดเอาไว้อยู่แล้วพบระเบิดเอาไว้อยู่แล้ว พอมันไม่ได้ดังหวังปุ๊บมันก็ทุกทันทีระเบิดก็เหมือนระเบิดที่มัมนระเบิดนั่นแหละตุ้มมาเพราะฉะนั้นเราควรมีความคาดหวังไหมไม่ควรแต่เราควรมีเป้าหมายไหมควรเหมือนเราปฏิบัติธรรมอะเราอยากจะไปสูจ่จุดที่เขาเรียกว่ามีความทุกข์น้อยมีความสุขมากหรือใครจะบอกปฏิบัติแล้วอยากจะได้เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานอะไรก็อ่านนัน่นเป็นเป้าหมาย สิ่งเราสิ่งที่เราไม่ควรมีเลยก็คือความคาดหวังเพราะว่ามันผิดหวังเมื่อไหร่มันก็ทุกตรงนั้นถ้าถ้าเราเปรียบเป็นแท่งไงนะเป้าหมายอยู่ข้างบนความคาดหวังเราก็ควรจะให้มันอยู่ข้างล่างถ้าตราบใดที่เรายกความคาดหวังขึ้นมาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ผลลัพธ์ที่มันมันได้ แล้วมันไม่ตรงกับที่เราหวังเนี่ยไอ้ส่วนต่างระหว่างความหวังที่เรายกขึ้นมาเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ท่วมทับใจเราเท่านั้นแหละความทุกข์ที่มีมันก็ทับเราเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะมีคุณธรรมอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าสันตุถีคือความยินดีพอใจพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอใจใน ตามกำลังที่เราทำได้นี้เป็นต้นสันตดถีคือคุณธรรมที่มันจะทำให้ลดทอนผลเสียที่มันมาจากความคาดหวังการที่เรามีใจที่มันยินดีในผลลัพธ์ตามความเป็นจริงที่มันเป็นเขาเรียกว่าเราก็จะไม่ทุกข์เยอะ ถึงมันจะยังไม่ถึงเป้าหมายแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำานะตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายแต่เราก็จะพัฒนามันไปจนถึงเป้าหมายนั่แหละแต่ถ้าเรามีความคาดหวังอ่ะมันไม่ได้ดังหวังสมมติมันเราทำธุรกิจอ่ะตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มันกำไรสักย0เปนี้ย แต่สุดท้ายทำได้แค่ 10% แล้วก็ทุบไปทุบ ก, กับอีกิบอที่มันไม่ได้นะแต่ถ้าเราทำเต็มที่ทำตามเหตุปัจจัยที่มันมีณนะปัจจุบันทาตามเงื่อนไขมันมีอุปสรรคอะไรเราก็แก้ไขปัญหายอย่างเต็มที่แล้วมันได้แค่ 10% คุณธรรมคือสันตุถีมันก็ทางานได้ดีเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วนี่มันได้แค่นี้ก็คือเท่านี้ เพราะฉะนั้นมันก็จะลดทอนผลเสียของความคาดหวังลงไปมันก็จะไม่ทำร้ายทาลายจิตใจเรามากจะย้อนกลับมาตรงที่ว่าความคาดหวังอย่าไปมีแต่เป้าหมายที่เรามีเราควรจะต้องทำทำให้มันเกิดขึ้นปฏิบัติรมก็เหมือนกันเราอยากได้สมาธิเราอยากได้ความสบายใจอันนั้นก็เป็นเป้าหมาย แต่พอเราเอาความคาดหวังบวกลงไปด้วยต้องเป็นสมาธิต้องมีความสงบต้องมีความสบายใจแต่ผลที่มันได้คือมันยังไม่สงบยังไม่สบายอันนั้นมันก็ทุกข์ใจเราเองแต่ถ้าเราไม่ได้มีความคาดหวังแล้วก็ทําไปพยายามสํารวจว่าเราทําถูกหรื อ, อยังเราทําได้ถูกสัดส่วนเนี่ยมันมากไหม เราคอยสังเกตอยู่ที่เหตุดีกว่าเอาใจมาอยู่ที่เหตุคอยปรับปรุงว่าเหตุของเราเนะี่ยมันทำให้มันสอดคล้องกับผลที่มันจะเกิดขึ้นไหมเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วทุกน้อยเนี่ยเขาไม่เอาใจไปอยู่กับผลลัพธ์นะเขาเอาใจมาอยู่กับเหตุว่าทำเหตุถูกต้องหรือยังทำเหตุที่ดีครบถ้วนหรือยัง พอเราเอาใจมาอยู่กับเหตุเนี่ยมันก็ไม่โดนความคาดหวังมาทำร้ายมากแล้วก็มันก็จะเป็นการที่เราจะได้คร้ครวนได้พินิษพิจารณาในเส้นทางดำเนินของเราว่าเออกับสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่มันถูกต้องเราทำได้ดีแล้วหรือยัง พเราทําอย่างนี้ได้อ่ยเราทําถูกบ่อยๆใจมันก็มีศักยภาพที่ที่ดีอ่ะที่ดีคือมันก็ทุกน้อยอย่างน้อยๆเหตุก็คือความคาดหวังความคาดหวังมันมาจากไหนความอยากในใจเห็นไหมเราเห็นความอยากในใจความอยากมันลากเราไปสร้างความคาดหวังพาให้เราผิดหวังเราก็เป็นทุกข์ เพราะถ้าเราละเอียดละอ้อขึ้นเราเห็นว่าเรามีความคาดหวังแต่เรายังไม่เห็นความอยากเ อ, อย่าง น, น้อยเราก็รู้จักความคาดหวังนี้ว่ามันเป็นยังไงเฝ้าดูเฝ้าระวังความคาดหวังเอาไว้พอเราเห็นเราดูเราเห็นบ่อยๆเราก็จะเห็นความอยากในใจเราเลยแหละว่าอ๋อความอยากความดิ้นรนในยามอยากมันเสียมเราอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราคอยระมัดระวัง ความเห็นความคิดความรู้สึกแบบนี้ในใจไว้ชีวิตเรามันก็จะสบายขึ้นทุกน้อยลงแล้วเวลาคนที่ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆปฏิบัติทำไปได้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็ปล่อยวางง่ายขึ้นเร็วขึ้นแนตะ่ปล่อยวางกับปล่อยทิ้งไม่เหมือนกันปล่อยวางกับ ทิ้งไม่เอาภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันคนที่ปล่อยทิ้งไม่เอาภาระหน้าที่ น, นั้นเป็นคนที่ไม่มีธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอเป็นคนที่ไม่อดทนไม่อดกลัน้นย่อท้อง่ายต่ออุปสรรคแต่คนที่มีธรรมะเนี่ยเขาไม่ไม่ย่อท้อง่ายๆ เพราะก็มีความอดทนมีความอดทนอดกลั้นมีความไม่ย่อท้อต่อค่าศึกศัตรูไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่มันมีพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บชีวิตมันจะไปเป็นคนแบบเฉ่ยแฉะได้ยังไงในเมื่อเรามีคุณธรรมศักยภาพของใจแบบนี้มันก็เป็น เรื่องที่เขาชอบคุยกันน่ะคนมีธรรมะปฏิบัติทำไปเป็นคนไม่เอาอะไรเป็นคนเฉยแฉะเป็นคนไม่หวังความก้าวหน้าในชีวิตอันนั้นเราไปดูคนที่ปฏิบัติทมไม่เป็นหรือเปล่าคนที่เขาปฏิบัติทำดีก็อย่างที่บอกไปเขามีเป้าหมายนะเขามีเป้าหมายเขาก็เดินไปเดินไปตาม เส้นทางที่มันจะไปบรรลุเป้าหมายนี่แหละโดยที่ไม่ย่อท้อโดยที่ไม่ไม่ย่อหย่อนไม่ขี้เกียจด้วยซ้ําแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความเขาเรียกว่าความอยากมากเกินความจําเป็นทีนี้พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขต้องแจกแจงระหว่างคําว่ามักน้อย กับคำว่ามักมากคนที่มีคุณธรรมมีธรรมะในใจก็จะเป็นคนที่มักน้อยไม่ใช่เป็นคนมักมากแต่มักน้อยในในนิยามคนสมัยนี้อาจจะเข้าใจที่มันไม่ตรงกับศักด์เท่าไหร่อาจจะเข้าใจว่าเป็นคนที่ไม่เอาอะไรมักน้อยคือไม่เอาอะไรไม่ใช่ แต่คนที่มีคุณธรรมแล้วเขามักน้อยเนี่ยหมายความว่าเขาประมวลก่อนว่าเรามีกําลังทำได้เท่าไหร่เราตั้งเป้าหมายของเราไว้ตรงนั้นแต่กลับกันคนที่มีกิเลสในใจคนที่มีความโลภอยู่ในใจก็จะเป็นคนที่มกักมากกาลังเรามี10บหน่วยแต่เราอยากได้20บหน่วยเราก็พยายามดิ้นรนให้มันได้20หน่วย เหล่นี้เป็นต้นแต่คนที่มีธรรมะรู้ว่าเราทําได้สิบหน่วยเราก็ทําให้มันเต็มที่ให้มันได้สิบหน่วยพอได้สิบหน่วยแล้วเราก็ไปต่ออา้าวนะมันจะไปจากศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นจากฐ า, านะการเงินนี้มันมีมากขึ้นเราทําอะไรได้ต่อเราทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นได้อีกจาก ศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะไปตรงไหนต่อดีมันก็ไปได้แต่ไม่ได้ไปแบบแบบคนมากมากอะอถ้าเหมือนมันคนทำธุรกิจก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินร้อนมาทำธุรกิจก็เป็นเงินเย็นะรู้จักที่จะมีเท่านี้ ใช้เท่านี้ได้กำไรเท่านี้พอได้กำไรเพิ่มขึ้นสินทรัพย์มากขึ้นทุนมากขึ้นเราก็ขยับขยายธุรกิจให้มันโตขึ้นได้แต่ไม่ใช่ว่าให้มันย่ำตอกอยู่แบบเดิมทั้งวีทั้งวันทุกวั น, ท, วนทั้งปีทั้งชาติไม่คิดที่จะพัฒนาธุรกิจมันไม่ใช่นะแต่เขาพัฒนามันในบนพื้นฐานความเป็นจริงที่เขามีที่ก็เป็น ศักยภาพที่เขามีไม่ทำอะไรเกินตัวคนที่ทำอะไรเกินตัวมันก็เป็นคนที่เสี่ยงเสี่ยงที่จะพลาดพอพลาดมันก็ทุกข์ง่ายนั่นแหละ่ากันเถอะแต่เวลาที่เราไม่ทำอะไรเกินตัวโอกาสที่มันจะทุกข์โอกาสที่มันจะพลาดมันก็น้อยลงลดลงเพราะฉะนั้นทางโลกมันก็ไปได้อย่างดีทางทำคือทางด้านจิตใจมันก็ไม่ซุ่มเสี่ยง เพราะฉะนั้นคนมีธรรมะก็จึงบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นคนแบบเฉยชาเฉยแฉไม่ใช่แต่เ ป, เป็นคนที่มีความก้าวหน้าอย่างไม่ประมาทดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเป็นคนที่หาความก้าวหน้าบนความไม่ประมาทแต่ถ้าคนมีกิเลสอยู่ในใจก็มีความก้าวหน้าบนความประมาท ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเราก็จะลดลดความประมาทในชีวิตเราลงลดความประมาททางั้านจิตใจของเราลงมันก็มั่นคงเดินก็เดินอย่างมั่นคงพัฒนาอย่างมั่นคงซึ่งมันจะไม่เหมือนคนเฉยแฉะคนไม่เอาอะไรอันนั้นก็เป็นคนที่ไม่มีธรรมะเหมือนกัน เป็นคนที่กิเลสชักจูงไปชักนำไปในทางที่ลดทรัพศักยภาพตัวเองฉะนั้็เราก็ลองพยายามฝึกฝึกที่จะให้ใจมันมีทักษะจำเป็นอันนี้คือทักษะที่มีสติรู้เท่าทันใจ มันเหนื่อยบ้างมันเมื่อยบ้างปวดบ้างก็ช่างมันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวหมดคาบแล้วก็ได้ยืดแข้งยืดขาความปวดมันก็หายไปเป็นเรื่องปกติดีซะอีกที่เราได้รู้จักความปวดความเมื่อยเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยร่างกายอันนี้นี่มัน มันไม่ใช่ของที่จะนำความสุขมาให้เรานะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของที่มันก็เหมือนระเบิดเวลามันอัดแน่นไปด้วยความทุกข์ที่มันจะรอวันระเบิดออกมาแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงแค่แบบลูกเล็กๆน้อยๆอ่ะให้เราพอที่จะใช้มันเป็นเครื่องฝึก มันก็จะเป็นอุปกรณ์การฝึกที่ดีแต่ถ้าเราจะไปเจอสนามจริงเลยอย่างเงี้ยเจอข้อสอบที่มันแบบเอาอยู่ดีๆมีคนมาฆ่าพ่อเราแม่เราคนรักเราอย่างเงี้ยเราทนไหวไหมไม่โกรธได้ไหมมันยากนะถ้าไปเจอข้อสอบแบบนั้นแล้วเนี่ยเสียหลักเอาง่ายๆ แต่ข้อสอบระดับแบบนี้มันเป็นระดับที่เอามาฝึกได้ดีให้รู้จักว่าร่างกายตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ของนำทุกข์เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานับวันก็มีแต่จะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลง จะไม่ใช่ของที่ว่าดีดีอะไรแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจ ะ, อะพอมันไม่ดีแล้วก็ทิ้งทิ้งคว้างๆมันก็ไม่ใช่นะเราก็ใช้มันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเอามันมาพัฒนาจิตใจเราให้จิตใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็ไปถึงจุดที่เราจะ เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่ายืนเดินนั่งนอนไม่มีความทุกข์ที่มันจะมาเสียดแทงจิตใจของเราอีกไม่ต้องไปรอความสุขไม่ต้องไปรอว่าฉันจะเป็นอรหันต์ตอนไหนถึงจะพ้นทุกข์ไม่ต้องรอเอามันตอนนี้แหละแค่เรามีศักยภาพที่เราจะลดทอนความทุกข์ปล่อยวางได้ ไร้ว่างถึงความที่แม้กระทั่งความเห็นที่ว่ายึดถือว่านี่เป็นเราของเรานี่เป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยจะให้ชื่ออะไรก็ไม่สำคัญจะใช้ชื่อโสดาบัลก็ไม่สำคัญจะให้ชื่อว่าเป็นอรหันต์ก็ไม่สำคัญเป็นสำคัญอยู่ตรงสภาวะจิตใจเราต่างหากว่าจิตใจของเราเนี่ยมัน มันเป็นยังไงมันเบาสบายไหมมันปลอดจากความยึดถือไหมหลันี้เป็นต้นตถ้ามันเช่มชื่นเบิกบานหองใสเนี่ยมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะให้ชื่ออะไรก็ไม่สำคัญเราก็ไม่ต้องรอว่าตายไปแล้วเราถึงจอมีความสุขอะไรเงี้ย คนปฏิบัติทรมมันต้องให้มีความสุขนะปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาติไหนเอามันชาตินี้เลยขอแค่ทำให้มันถูกทำให้มันได้ทำให้มันถึงเหตุถึงผลเราก็จะได้รับผลที่ดีจากการฝึกของเรา